ว่าความคิดที่นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไปหมดที่น่าเชื่อหรือเชื่อไปเลยนี่เรียกว่าลืมตัวเราแม่ทราบได้ว่าสิ่งที่คิดนั่นเป็นทางถูกหรือทางผิดเพราะเคยเชื่อธรรมชาติที่งม ง, งายนี้มานานยิ่เรียคือธรรมชาติที่ไม่มีค่าสำหรับผู้มีค่า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 อย่างอื่นไม่มีทางทราบได้เรียนมากเรียนน้อยก็าตามไม่ได้ประมาทเพราะการเรียนไม่ใช่การชาระกิเลสจดจาเอาตามการเรียนมาเฉยๆกิเลสมันมันก็เป็นกิเลสอยู่โดยตรงถ้าเราไม่แก้เหมือนเราสร้างแปลนบ้านแปลนเรือนนั่นแหละจะทาแปล น, นได้สักกี่มากน้อยถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็เป็นแปลนี้เลยมันไม่เป็นตัวบ้านตัวเรือนขึ้นมาได้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 เป็นการก่อควรมตัวเองฟุ้งซ่านมากก่อควรมากทำลายตนเองมากให้พยายามระ ง, งับดับความคิดเหล่านั้นด้วยอุบายต่างๆตามแต่จะเห็นควรเช่นกำหนดภาวนามีบทธรรมบทใดเป็นหลักยึดแทนอารมณ์ที่จะทำให้ฟุ้งซ่านนั้นเสียจิตก็ย่อมมีทางสงบลงได้เพราจิตสงบลงได้แล้วก็ทราบว่าจิตพักงานพักงานวุ่นนี่มีเพียงครันี้ ก็พอทราบเงินต้นหรือขั้นจิตมีความสงบมั่นคงเข้าไปโดยลำดับก็ยอมทราบจิตและทราบธาตุทราบขันเรื่องของธาตุของขันโดยลำดับว่าจิตเป็นอย่างธาตุขันเป็นอย่างไม่ใช่อย่างเดียวกัน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 เสาแสวงในทางนั้นเสมอทําเมื่อมีสติมีปัญญาคอยสอดส่องคอยสังเกตอยู่แล้วเราจะทราบว่าจิตนี้ชอบคิดในทางนั้นมากเมื่อจิตคิดนในทางนั้นมากก็เป็นเหตุให้เราเกิดความตนใจว่าทางนั้นมันเป็นเป็นอะไรเป็นทางดีหรือทางชั่วเป็นทางปลูกมัดหรือทางแก้หรือทางถอดถอนถ้าเป็นทางผลูกมัดมเป็นทางจะสั่งสมความชั่วหรือความทุกข์ขึ้นมาแก่เราเราก็พยายามแก้ไขพยายามหักห้ามด้วยวิธีการต่างๆ นี่นี่แหละมันมีทางแก้กันได้อย่างนี้การพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละย่อมมีทางที่จะหักห้ามสิ่งไม่ควรนั้นได้จนกระทั่งขาดจากกันไปได้เหมือนกับเราตัดไม้ตัดฟันครั้งหนึ่งมันไม่ขาดสองครั้งเข้าไปสามครั้งเข้าไปหนุนไปจนกระทั่งม้นั้นขาดจริงๆเพราะคํามพยายามตัดอยู่เสมอ การตัดกระแสะของจิตที่ชอบคิดในแง่ไม่ดีด้วยความพยายามอยู่เสมออย่างนี้ก็เป็นไปได้ทํานองเดียวกันตัดสิ่งใดขาดออกไปจา ก, กจิตก็ทราบชัดว่าสิ่งนั้นได้ขาดไปแล้วจากใจเงื่อนที่จะตอให้เกิดความทุกข์ความลาบากเพราะความคิดเช่นนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วอย่างนี้ก็ทราบนะกิเรศประเภทใดที่จิตชอบคิดชอบยึดชอบเหนียวชอบยืดมั่นถือมั่น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 พยายามตัดมันแตกไปทางตาทางหูทางต่างๆนี้มันก็ไปหลายเงื่อนไปหลายแขนงเหมือนกันรูปอะไรบ้าง น, นี่มันแตกกระจายไปมากมายกายกองแต่มันออกไปทางตาไปสู่รูปแล้วรูปอะไรบ้างนั่นแหละมันแตกขแขนงไปซึ่งจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเมื่อกิจคิดไปทางกิเลสที่ไปทางเสียงเสียงอะไรบ้างนั่นมันก็แตกขแขนงกันไปอีกเป็นรากฝอยไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามเรา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 ความโกรธเป็นความรุ่มร้อนเป็นความทุกข์แล้วทําไมขยันโกรธโกรธให้ตัวเองแขว ง, งชั่วอกโกรธให้คนอื่นซึ่งตัวเองก็เป็นทุกข์แล้วเขาก็เป็นทุกข์ด้วยยิ่งเพิ่มความทุกข์ความทรมานใจทั้งตนและเขาขึ้นอีกมากมายการโกรธให้ตัวเองยังมีทางที่จะแก้ไขตัวเองเพื่อถอดถอนความโกรธนี้ได้แต่ส่วนมากไม่ยอมโกรธตนเองที่จะให้เกิดอุบายปัญญาขึ้นมาในการแก้ตัวเองเพราะความโกรธตนเองนั้น มักจะไปโกรคนอื่นเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเราแยกไปดูไปพิจารณาไปรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันมีขัแหนงขัแหน่งองไปออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยแล้วก็ประมวลลงมาทางใจคือธรรมารุณโดยอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคยสัมผัสมาแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นการสั่งสมกิเลสประเภทหนึ่งๆขึ้นมาเรื่อยๆ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 ลนรากกันไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจกกนกระทั่งตัดขาดกันไปนี่แหละท่านว่าตัดที่เหลือท่านตัดอย่างนี้เช่นเดียวก็เราตัดรากฝอยของมะของต้นไม้ตัดไปตัดมาก็ไม่มีรากอะไรเหลือสุดท้ายก็ยังเหลือแต่รากแก่เขาถอนพุ่งขึ้นมาหมดไม่มีเหลือเอาไปปลูกไม้ต้นนั้นมันตายแล้วเรื่องของจิตภพชาติมันอยู่ที่จิตอ่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 ในขณะนี้มันสูญหรือไม่ศูญมันออกมาจากไหนมันถึงมาเกิดนี้ถ้าหากว่ามันสูนยญจริงๆแล้วมันมาเกิดได้อย่างไรฮะนานนี่ปัญหาแก้ตัวเองพิจารณาแยกแยะลงไปมันออกมาจากสิ่งที่ไม่อยู่สิ่งที่มีอยู่จึงปรากฏตัวขึ้นมาได้ไม่มีปรากฏขึ้นมาไม่ได้นี่แหละพบชาติคือความสืบต่อแห่งพบทำชาติเป็นกําเนิดเกิดในที่นั้นที่นี่มันมีเชือกมันอยู่ภายในจิตใจนี้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 ตลอดกับตลอดกันไม่มีกําหนดกฎเกณฑไม่มีต้นมีปลายเลยต้องเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอยู่งนี้เพราะเชื่ออันนี้ยังมีอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจนี่เป็นความจริงที่ประจักษ์ที่มีอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจเราจะลบไม่ได้ว่าลบให้มันศูญไปไหนมันได้จต่ความสําคัญเฉยๆผลสุดท้ายกับผู้ที่สําคัญว่าตายแล้วสูญ น, นั่นแหละไปเกิดอีกไปลาภความทุกข์ความลําบากที่ตนเข้าใจว่าตายแล้วมันก็หมดไม่มีอะไรที่จะมาสืบต่อข้างหน้าแล้วอ ย, อยากทำอะไรล้วก็ทําอยากทํา บาปทำอะไรก็แล้วแต่ตามใจของเราในวารที่มีชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ตายแล้วหมดความหมายที่นี่เมื่อมันไม่หมดความหมายตามความสําคัญตนแล้วใครจะเป็นคนรับความชั่วช้าละโมกทั้งหลายทั้งนี้ก็คือเราเองเป็นคนรับเมื่อเป็นเช่นนั้นเรากล้าเสี่ยงแล้วเหรอนี่เพราะเราเป็นคนรับผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาเหตุดายยิงย่งจะต้องไปเสียท่าเสียทีและไปล่มจมถึงขนาดนั้นด้วยอํานาจของกิเลสมาครอบงาําด้วยความสําคัญมาหลอกลวงตนเองตั้งนั้นความจริงมีอยู่ทําไมเราจึงไม่ดู ความจริงก็คือใจใจนี้ไม่ศูนย์เชื่อแห่งกิเลศที่เชื่อแห่งภพแห่งชาติที่มีอยู่ในใจนี้ก็อยู่กับใจนี่แหละตัวประกันตัวตีกราที่จะให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะศูนยญไปไหนจะสูญได้อย่างไรนี่คือความจริงมันศูนย์ไม่ได้เนี่ความสําคัญเรามันสูญได้ศูนย์ได้ตามความสําคัญเฉยแต่ความจริงมันไม่ศูนย์แล้วก็บาปบุญคุณโทษที่ทําลงไปมันก็เข้าไปอยู่ภายในจิตไม่ไปอยู่ที่อื่นเพราะจิตเป็นโรงงาน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 นี่เป็นหลักความจริงในการเรียนเรื่องความจริงเหล่านี้จึงต้องเรียนลงที่ใจพิจารณาลงที่ใจนี้ดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่าตัดตรงนั้นเขา้ามาตังงนี้เข้ามาด้วยจิตตภาวนาคือเราทราบด้วยปัญญามันมีความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีความสนใจกับสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นดีหรือเป็นทางดีหรือชั่วเป็นสิ่งดีหรือชั่ว เราตามรู้เสมอด้วยกิตตภาวนาของเราเราทราบเมื่อทราบแล้วพยายามแก้ไขพยายามตัดกันด้วยอุบายของสติปัญญาจนกระทั่งตัดขาดตัดขาดมาโดยลําดับลําดับน่ะนี่แหละท่านพิจารณาทางจิตตภาวนาหรือท่านมานั่งกรรมฐ า, านท่านนั่งอย่างนี้อ่ะจะนั่งอยู่ในป่าในเขาอยู่ลูกขมูลลมไม้ที่ไหนก็เถอะก็คือนั่งเรียนเพลงของจิตเพลงเรื่อง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 หดตัวเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามานี่แนหะเรียกว่าตัดพบตัดชาติส่วนหยาตัดเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาสู่ความละเอียดตัดเข้ามาแม้ที่สุดร่างกายของเหล่านี้ก็เห็นชัดตามไปจริงว่ามันเป็นแต่เพียงว่าธาตุขันเท่านั้นนั่นคือธาตุสีดินน้ำลมไฟมาผสมกันเข้ามีโดยมีจิตเป็นเจ้าของเข้ามายึดครองแล้วก็ว่าเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเมื่อมันทราบชัดแล้วมันก็สลัดพาณาจิตอี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 ปัญญาเป็นสิ่งที่แท้ที่จริงตามหลักความจริงคือรู้จริงเห็นจริงก็คือปัญญาเป็นผ ah ู้รู้เป็นผู้พารู้ผู้เห็นเราปรินาให้เห็นตามความจริงเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปกล้าผืนความจริงได้อย่างไงว่าไม่ใช่เราโดยทางปัญญาแล้วเรายังจะไปถือเอาฝืนไปถือมันก็ไม่ใช่ปัญญามันก็เป็นเรื่องของกิเลสในการแก้นีแก้ด้วยปัญญาเพื่อแก้กิเลสต่างหากไม่ใช่เพื่อสังสมกิเลสนั่นมันก็ทราบชัดลงไปอย่างเนี้ยนี่ยการเรียนการตัดภบตัดชาติการเรียนเรื่องวิถีของกิเลส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 ตัดไม่มีอะไรสือต่อกันแล้วพบชาติอย่างอื่นมันขาดไปโดยลาดับลาดับยังเหลืออยู่อะไรเนี่ยฟาดฟันเข้ามาก็ถึงตัวอวิชานั่นแหละนี่แหละตัวกิเลสแท้กินก้านสาขาขอกิเลสตัดขาดมาหมดยังเหลือแต่ตัวกิเลสแท้ได้เกะอวิชานี่อวิชชาจะอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กิจเท่านั้นอวิชชาไม่อยู่ที่อื่น ครอบอยู่กับกจิตจนกระทั่งจิตก็เข้าใจว่าอาวิชชานั้นเป็นตนตนเป็นธรรมชาติานั้นเน่เมื่อปัญญายัางยังไม่ทราบชาัดแต่มันก็ทนไม่ได้เพราะฟังคําที่ว่าปัญญาเถอะมีความฉลาดแหลมคมเมืม่อนํามาใช้ในสิ่งใดก็ต้องเห็นความจริงในสิ่งนั้นแล้วเราเรานํามาใช้ในจิตซึ่งมีกิเลสคืออวิชชามีอยู่ที่จิตทําไมจะไม่ทราบและทําไมจะทําลายกันไม่ได้ทําไมจะตัดขาดกันไม่ได้เมื่อสิ่งอื่น ปัญญาสามารถตัดขาดได้แล้วสิ่งนี้ทําไมปัญญาจะสามารถตัดขาดไม่ได้เล่านะปัญญาก็สามารถตัดขาดได้อันนี้ตัดความตัดขาดอันนี้แล้วทราบชั ด, ด, ด, ดเราจะพูดแบบโลกเขาเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นตเออหมดกันจะทีเถอะเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องกลางทุกข์ความทรมานท่องเที่ยวในวัฏสงสารพบน้อยพบใหญ่เป็นมาขี่ขับกี่คันจนนับไม่ถ้วนตัวนี้พาให้เป็น ตัวนี้ตายเกิดตัวนี้ายตายตายแล้วตายเล่าเกิดซ้ำเกิดซากเกิดมาหยุดไม่ถอยทุกซ้ำซากซากไม่หยุดไม่ถอยมายุติกันแล้วเหลือในครั้งนี้คราวนี้ยุติด้วยอะไรเหตุผลอะไรถึงต้องยุตินั่นยุติตรงที่ข่าเชื้ออันใหญ่ขาดกระเด็นออกจากใจแล้วนั่นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เรียกว่าความเมยสุดนั่นเป็นจิตแท้เป็นธรรมแท้ ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเคลือบแฝงเลยแม้นิดหนึ่งผู้นี้แลเป็นผู้ไม่เกิดทีน่นี่สิ้นสุดแล้วแต่ไม่ใช่ศูนย์ฟังสิอันในที่มองคิดนาคน้นคว้าแล้วหาความศูนย์มันไม่มีมันเดากันอย่างนั้นหลังเรื่องกิเลสพาให้คนเดาเพราะฉะนั้นจึงได้รับความทุกข์เพราะกิเลสแต่ก็ยังไม่ยอมเห็นโทษของกิเลสเพราะความโดุนเดาเพราะความสําคัญเมาเอาหมดแต่แล้วมันก็ไม่จริงเลยมีแต่ของปลอมเต็มตัวเต็มหัวใจความทุกข์จึงเต็มหัวใจด้วย เมื่อเรียนให้เขาถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความปลอมมันก็สลายตัวพนงลงไปจึงได้เห็นโทษชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่ความจอมปลอมทั้งหมดที่ได้รับความทุกข์ความท ร, รมานม า, มาแม้ในปัจจุบันชาติที่เราจําได้นี้เพียงเท่านี้แล้วก็ทราบชัดว่าเป็นความทุกข์เพราะกิเลสตัวเดียวนี่เท่านั้นเพราะกิเลสอันเดียวนี่เท่านั้นถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ทําให้เราเกิดทุกข์แน่รู้แล้วชัดเจน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 คิดใจนั้นซึ่งเป็นเจ้าปัญหามาตะก่อนทอดกิเลสพาให้เป็นเจ้าปัญหาพาให้เป็นตัวปัญหามันก็สิ้นสุดกันไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนี่นี่แหละความสิ้นสุด ข, ของวัฏฏะแต่ไม่ใช่ความศูนญ เ, เรื่องความศูนญวัฏฏะนั้นถูกต้องคือมันไม่มันไม่มีต่อไปอีกแล้วศูนย์สิ้นจากความสืบต่อแห่งภพแห่งชาติเกิดจากเก็บตายต่อไปนั้นไม่มีเป็นความศูญสิ้นจากสิ่งเหนั้นถ้าเราว่าศูนย์อย่างนี้ถูกต้อง แต่ว่าจะศูนย์กินอะไรไม่มีเลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ตรงตามความจริงความจริงก็คือความบริสุทธิ์นั่นเมื่อเรียนเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วความบริสุทธิ์เด่นแสดงขึ้นมาอย่างเด่นชาติภายในจิตใจจิตเป็นธรมรมธรรมเป็นจิตนี่ไม่ใช่ความศูนย์นี่อย่างพระพุทธเจ้าทันตรัสรู้แล้วกิเลสสินส้นศูนย์ไปหมดไม่มีอะไรเหลือภ า, ายในพระทัยแล้วยังต้องอาศัยความบริสุทธิ์นั่นแหละประกาศธรรมสอนโลกมาตั้งสี่สิบห้าพระพันศาถึงได้พระนิพพานหากว่า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 ทุกก็ยอมทนรับตามเหตุตามผลมีก็ราบตามเหตุตามผลไม่ปีนเกลียวกับธรรมคือคติธรรมดาก็สบายแม้จะมีกิเลกอยู่ก็พอสบายพอตรงพอวางได้แต่ถ้าหากว่าไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยไม่นําธรรมมาวิจัยไม่มีเหตุผลเลยแล้วมีแต่ความต้องการท่องใจยอย่างเดียวความต้องการนั้นแหละจะพาคนไปลงง่มจมความต้องการนั้นแลทําลายจิตใจคนให้รับความเดือดร้อนอยู่โดยสม่ำเสมอตลอดมาไม่มีอะไร คือความต้องการมันต้องการโดยไม่มีเหตุมีผลนี่มิตรยาตพัฒน์ตะพื อ, อยากเราไม่ทราบอะไรเป็นพิษอะไรเป็นภยัยอยากทั่า น, นั้นกินกันไปเรื่อยๆนี่กินไม่ถอยคือคิดไม่ถอยยุ่งไม่ถอยความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราเสริมมันมันต้องมากดีไม่ดีสติไม่มีเป็นบ้าไปเลยนา น, นี่วันนี้พูดถึงเรื่องวัตจักรพูดถึงเรื่องความสูงความไม่สูง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 แบบปัญหานี้อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครแม้ผู้เทศด้วยเราอาศัยธรรมะพระเจ้ามาวินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินดําเนินตามนี้ให้รู้ตามนี้เห็นตามนี้หมดปัญหาตามที่กล่ามา น, นี้จึงขอหยุดติเพียงเท่านี้เอวังวันนี้เอวังนะวันนี้ทุกวันหายเหนียวเลยมันอะไรไม่รู้แต่